ที่วัดป่ามัวตลกวนารามวันที่5ตุลาคม2559เรื่องอย่ายอมแพ้โดยหลวงตาณรงศักขีนารโยมันเกิดจากจิตใจท้อถอยท้อแท้มันมาจากจิตจิตใจมันถดถอยมันท้อแท้มันถดถอยมันอ่อนละโหยโดยแรง เราต้องจะไปสนใจกับจิตใจที่มันเนี่ยมันมันไปกับความคิดฟุ้งซ่านหมดเออเวลามันตกเขาเรียกว่าตกถนนสองฝั่งถึงเวลาดีๆมันก็ตกถนนเปในความพุ่งซ่านอีกฝั่งหนึ่งก็ไปเรื่องโลกโลกไปเรื่องคนนั่นคนนี้คนนี้คนนั่นคนนั้นไม่เห็นตัวเอง พอจี้เข้าจี้เข้าจี้เข้าทุกแง่ทุกบุมไม่ให้มันหลุดไปเรื่องของคนอื่นได้ให้เป็นเรื่องของตัวเองทั้งดุทั้งว่าทั้งเตือนทั้งเปรียบเทียบทั้งอะไรสายละพัดเพื่อจะให้เห็นตัวเองรู้จักตัวเองมันก็ตกไปอีกฝั่งหนึ่งหดอูทอแท้หดถอยมันกลายเปตกอีกฝั่งหนึ่งมันค่อนข้างจะไหลไปในโลกของความซึมเศร้า แต่ตอนไม่ว่าไม่ดุไม่บอกไม่กล่าวไม่สอนก็จะเตลิดไปอีกด้านหนึ่งแต่พอดุว่าบอกสอนตักเตือนมากๆเข้าก็ตกไปอีกด้านหนึ่งไม่ได้เป็นเฉพาะโยมนะพระก็เป็นคือเวลาไม่ดุไม่ว่าไม่บอกไม่สอนก็จะเลิดไปทั้งโลกอีกด้านหนึ่ง พอดูว่าบอกหลอนบอกกล่าวมันก็จะหดอูดตดถอยทอถอย ท, ทอแท้กลุดไปอีกด้านหนึ่งในที่มันหมดเลียวหมดแลงเนี่ยคือมันเริ่มจะเข้าไปสู่กระแสของความซึมเศรา้าพอโดนดูโดนว่าโดนตเกืยอนโดนอะไรการปฏิบัติสู้เขาไม่ได้มันเกิดดถอยเลย ปอยไปสู mm media, ่ความซึมเศร้านานหนักๆเข้าจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าแต่ขั้นไม่ดูไม่ว่าไม่บอกไม่สอนก็เป็นโรคฟุ้งซ่านเรื่องของคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นไม่เห็นตัวเองพอบอกให้เห็นตัวเองรู้จักตัวเองก็แล้วก็ีบอกกล่าวสอนบอกก็หด หดซึมเจ้าทอแท้ถดถอยกุ้มหนักเข้าไปอีกมันต้องหลุดไปสองฝงอั่งจะไปติดสองฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งก็ไปสู่โลกที่มันฟุ้งซ่านไปอีกฝั่งหนึ่งก็ถดถอยทอแท้หดหูมันเหมือนขับเดิมมันจะขับรถตกถนนไปอีกฝั่งอยู่เรื่อยพอให้ฝืนพวงมาลัยกลับมาอีกด้านนีงก็ตกไปอีกฝั่งอีกไปทั้งถดถอยทอแท้หดหูเบื่อเซ็งกุ้ม หมดกำลังใจมันก็ตกไปอีกฝั่งหนึ่งมันต้องฟื้นขึ้นมาอย่ายอมรับความล้มเหลวคนเราจะประสบความสําเร็จได้ในชีวิตเนี่ยไม่ใช่คนที่สุขสบายและประสบสําเร็จตลอดเวลาถึงจะถึงจะเป็นคนที่สําเร็จในชีวิตคนจะสําเร็จในชีวิตได้เนี่ยคือคนที่ไม่ยอมไม่ยอมแพ้กับความล้มเหลว คนไหนที่ยอมแพ้กับความล้มเหลวเนี่ยมันก็คือแพ้ตลอดการคนที่ไม่ยอมแพ้กับความล้มเหลวเนี่ยล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกมันไม่ยอมแพ้กับความล้มเหลวจิตใจมันก็แข็งแกร่งยืนหยัดต่อสู้ไม่ว่าจะล้มเหลวในทางโลกหรือในทางธรรมล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกไม่ว่าจะล้มเหลวในทางโลกหรือทางธรรมมันจะทุกข์ยากลําบาก ยากเข็นอย่างไรไม่มีเท้ะแท้ไม่มีถดถอยเศรษฐีมหาเศรษฐีของโลกเนี่ยเราอ่านดูแต่ละคนเนี่ยถูกไล่แต่ละคนนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกที่มีชื่อเสียงโด่งดังมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกโลกของต้นๆเนี่ยล้วนแต่เรียนหนังสือไม่จบถูกไล่ออกผู้หาว่างโง่เรียนไม่ได้ ออกมาไปทำงานก็ถูกไล่ออกไปสมัครงานถูกปฏิเสธเป็นสิบครั้งยี่สิบครั้งเสร็จแล้วก็ทำธุรกิจก็ล้มละลายแล้วล้มละลายอีกล้มละลายหลายครั้งชีวิตตกระก ร, รมลำบากไปเป็นลูกจ้างเขาถูกสาดถางถูกด่าถูกว่า เรียนหนังสือก็ถูกไล่ออกไปทำงานหลายแห่งก็ถูกไล่ออกทำสินค้าไปขายเขาเขาก็ไม่รับซือ้อแต่คนเหล่านี้ที่สุดมาเป็นประธานนาทิปดีมาเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกทุกวันนี้ยาวนานที่ไม่มีใครลมสถิีิได้ หลายคนเป็นเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกไม่มีใครสู้ได้คนที่เกิดมาสุขสบายเอาแต่ความสบายไม่ต่อสู้ชีวิตโลกก็ไม่สำเร็จทำก็ไม่สำเร็จล้มเหลวทั้งโลกล้มเหลวทั้งทำรักความสบาย ร ก, ก็ไม่สำเร็จทำก็ไม่สำเร็จต้องสู้ชีวิตต้องสู้ไม่ใช่ว่ายอมแพ้แต่มันต้องสู้ตอนลงตาเนี่ยไม่ใช่คนสู้แ้งก่อนจะไปมาบอกให้พวกเราสู้เพราะครอบครัวพื้นฐานมาจากความยากจน พิจารณาย้อนหลังไปตระกูลพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นชาวไร่ชาวนาที่ยากจนติดต่อเนื่องกันมาจนถึงรุ่นเรามองเห็นพ่อแม่ทุกโศกเศร้าเ ว, วลาเข้าทวงหนี้ทวงสีนร้องห่มร้องไห้เนี่ยเขจะยึดบ้านเนี่ยเราเนี่ยทุกตั้งแต่เด็กเลยเกิดมาก็เต้นเลยเราเนี่ยร้องไห้ เห็นแม่นี่อ้อนบอนกอดแข้งกอดขาเราว่าอย่าลือาลอาล้อบ้านเลยอย่าลื้อบ้านเลยเห็นแก่ลูกๆทั้งหลายเยอะแยะมากมายเราประกาศเลยว่าเรานี่จะต้องสร้างตระกูลใหม่เป็นต้นตระกูลเราจะไม่ยอมให้ตระกูลของเราเนี่ยเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นข้าราชการพู้น้อยอีกต่อไป ลูกเราจะต้องไม่ใช่ลูกชาวไร่ชาวนาลูกของกระดการผู้น้อยหลานเราก็ไม่ต้องไม่เป็นหลานชาวไร่ชาวนาเป็นเป็นหลานตระกูลชาวน้อยเราจะต้องเป็นเจ้าพยาให้ได้เราจะไม่ยอมเป็นนั่นเป็นก็เป็นสูงสุดเลยเป็นเจ้าพยาเลยเราประกาศเลยว่าเราจะต้องเป็นให้ได้ในชีวิตเรานี่แน่เราไม่รอให้เป็นรุ่นใครอะรุ่นเรานี่จะต้องแก้ไขต้นตระกูลมาแล้ว ก็มาเริ่มต้นที่เราใหม่เป็นตระกูลเจ้าพยาเาื่ก่อนนี้ผู้อกษาเขาเรียกว่าเจ้าพยาจ่าสารเขาเรียกว่าท่านขุนผู้อกษาสมัยก่อนมีอยู่แค่ห้าคนสิบอ็ดคนอยู่ในความดูแลของรัชกาลที่ห้าเป็นเจ้าพยามีเครื่องราชมีอะไรมากมายเราทุกข์ยากลำบาก เงินเรียนหนังสือก็ไม่มีต้องเช่าหนังสือเรียนเงินที่จะซื้อหนังสือเรียนไม่มีต้องไปเช่าหนังสือเรียนไปอ่านหนังสือตามห้องสมุดขนาดเรียนมหาวิทยาลัยต้องเช่าหนังสือเรียนเราไม่ได้ซื้อหนังสือมาเรียนนะเช่าหนังสือเรียนต้องไปอ่านหนังสือตามห้องสมุดเราทุกข์ยากลำบากบางทีไม่มีเง in ินติดตัวเลย กินน้ำปาปว่าก็เอาแต่เราติดป้ายไว้เลยที่หน้าโต๊ะหนังสือเราว่าชีวิตยอมลำบากมันให้สุดๆเลยมันจะลำบากจากเข็นยังไงยอมให้มันลำบากสุดๆแล้วจะสบายตลอดชีวิตเราลื้อเตียงนอนออกหมดไม่มีที่หลับที่นอนมีแต่โต๊ะหนังสือกับพื้นไม้กระดานแล้วหนังสือเต็มห้องไปหมดเลย นาฬิกาทุกอย่างเขาออกหมดเราดูหนังสือไม่เคยหลับไม่เคยนอนอ่านหนังสือไม่หลับไม่นอนเลยเมื่อไหร่ที่เราง่วง ม, มากๆเราก็พุบไปกับโต๊ะหนังสือเราทนไม่ไหวจริงๆเราก็นอนกับพื้นกระดานเพราะมันพลิกปุ๊บมันเจ็บตัวเพราะว่าเนื้อมันกดกระดานกระดูกมันกดกระดานมันไม่มีหมอนไม่มีอะไรหลักนอนกับพื้นกระดาน พอมันพิกปุ๊บมันเจ็บตัวเราก็เลยลุกไปอ่านหนังสือต่ออีกเราไม่ยอมแพ้ดูหนังสือจะเป็นไข้เป็นไข้หวัดใหญ่หมอไปหาหมอหมอจะฉีดยาเราบอกว่ายาเนี่ยมันง่วงไหมหมอบอกว่ามันง่วงเราบอกง่วงไม่ฉีดเราจะอ่านหนังสือเราเดินออกจากร้านหมอแล้วเราก็มาอ่านหนังสือ เราไปสอบทั้งทั้งที่ทเราเป็นไข้หวัดใหญ่ตาแดงก่ําหมดเลยแล้วเราก็สอบผู้อาษาได้สมกับที่เราปรารถนาเ้าเนี่ยฝันแต่เราทําความฝันให้เราเป็นจริงไม่ใช่ฝันลมๆแรงๆทําความฝันให้เป็นความจริงแล้วเราก็ฝันจริงๆว่าเราจะต้องเป็นเจ้าพยาให้ได้ คือจะต้องเป็นผู้อกษาให้ได้จนเราเลื่อนขึ้นมาเป็นหัวหน้าสารเป็นรองอธิบดีเป็นอะไรจําเลมากมายก็จะให้เราเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆเราบอกพอแล้วพอแล้วเราอยากเป็นแค่ผู้ราษาเป็นเจ้าพยาเราไม่ต้องการเป็นอะไรมากกว่านี้อีกแล้วต้องการให้ครอบครัวเราเป็นครอบครัวตั้งต้นตระกูลเราเนี่ยที่ที่ตัวเราไอเป็นตระกูลเจ้าพยาลูกเราก็เป็นลูกเจ้าพยาหลานเราก็เป็นหลานเจ้าพยา เราต้องการเพียงแค่นี้แต่เราไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้อีกแนละ้วเราอยากเข้าเฝ้าในหลวงพระจันทร์เราไปเข้าเฝ้าตั้งหลายครั้งในวังเนี่ยเราได้เครื่องราดจนเต็มไปหมดในเหรียญตาสายสภาจนได้สายสูงสุดหนุ่นอยากได้ที่ดินในจานเมืองกรุงเทพอยากได้อาพาร์ตเมนต์มีหลักทรัพย์บ้านคงเรามีที่ดินอยู่ในกรุงเทพมีอาพาร์ตเมนต์ให้เขาเช่าตรง ก็มีทุกอย่างมีอพาร์ตเมนต์ใน้เขาเช่าสามแห่งมีตูเ้เซฟเก็บเงินเก็บทองมีห้องพระใหญ่มีทุกอย่างที่เราอยากจะมีมีครอบครัวมีลูกฝาแฟดมีรถลาบานช่องทำงานน่องแอมีโทรศัพท์ประจำตำแหนง่งมือถือ ยี่ห้อราคาแพงมีโน้ตบุ๊กยี่ห้อราคาแพงมีรถราคาแพงมีคนขับรถให้เราสะดวกสบายทุกอย่างเลยทำงานก็ห้องแอร์นอน ก, ก็ห้องแอร์ขับรถก็ห้องแอร์ขับรถแอร์คือรถขึ้นลิฟต์เกือกลิฟต์แอร์ทำงานก็มีคนช่วยเหลือตลอดเราฝันจนเป็นจริงอะโลกเราสําเร็จแล้วป่ายโลกเราจนอยากปรารถนาสิ่งใดเราได้จริงนั้น แต่ไม่ใช่ได้เพราะความฝันนะได้เพราะทำความเพียรไม่ยอมแพ้ไม่ยอมกับความล้มเหลวเราไม่ยอมแพ้กับความล้มเหลวเราล้มแล้วล้มอีกล้มแล้วล้มอีกพ่ายแพ้แล้วพ่ายแพ้อีกร้องให้ไม่รู้กี่ครั้งแต่เราไม่ยอมแพ้จนเราประสบความสำเร็จในทางโลก อย่างที่เราต้องการแล้วเรามีทุกอย่างจนลูกเต้าไปแต่งงานกับคนมีตังค์มีฐานะสบายไปหมดแล้วลูกชายก็ไปบวชเป็นพระเหมือนเราแล้วเขาก็ไม่อยากได้สมบัติคุณธรรอะไรเราพอแล้วลูกเราก็พอแล้ว เราฝันจนเป็นจริงเราต่อสู้โลกจนเราได้ประสบความสําเร็จในทางโลกอย่างที่เราปรารถนาทุกอย่างไม่ว่าจะตำแหน่งรบาบยกสุขสารเสริมทรัพย์สินเงินทองตอนเป็นฆราวาสเรามีลูกศิษย์ลูกหาทั่วโลกมีแต่คนอยากเอานู่นมาให้เอานี่อยากมาให้เรามีเว็บไซต์ตั้งสองสามเว็บไซต์ทั่วโลกไปเลยลูกศิษย์หลายสาขาอาชีพอยากจะเอานู่นมาให้อาจารย์อยากเออนี่มาให้อาจารย์เราบอกพอแล้วเราพอแล้วพอแล้ ว, ลวทั้งโลกเราพอแล้วแล้วเราก็มาบวช ลาออกเลยแต่ทั้งที่เรารับราช ก, การต่อได้จนถึ ง, ถงนอายุเจ็ดสิบนู่นแล้วเราจะต้องเติบโตไปข้างหน้าอีกนานรายได้เราต่อเดือนก็มากแต่เราพอแล้วทั้งโลกเราพอแล้วเราเคยถามพระหนุ่มๆว่าจ ะ, จะลาออกศึกไปทำไมอยากจะศึกไปหางานทำ ไปหาเงินหาฐานะสร้างฐานะบอกว่าออกไปตอนนี้จะทำงานอะไรที่จะได้รายได้เท่ากับเราแล้วจะไปหาเงินขนาดไหนจะไปสร้างฐานะขนาดไหนจึงจะมีรายได้เท่ากับเราเรามีซะขนาดนี้ทุกอย่างเรายังลาวออกมาเลยเพราะสิ่งนั้นมันไม่ทำให้เราพ้นทุก เราไปถึงที่สุดของทางโลกที่เราปรารถนาแล้วเราก็มาหาที่สุดของทางธรรมคือพันิพานแล้วเราก็เพียนเพียนเพียนเพียนไม่หลับไม่นอนเดินจงกรมข้ามวันข้ามคืนข้ามวันข้ามคืนเราไม่สนใจเวลาเลยนั่งสมาธิตั้งแต่เย็นยันเช้าเรานั่งลวดเดียวเลยไม่เคยกระดุ ก, กระดิก นั่งตั้งแต่เย็นยันเช้าเลยเวลาเดินจกงกรมก็เดินมันข้ามวันข้ามคืนไม่สนใจแล้วมันกี่วันกี่คืนเราเพียรจริงๆเวลาทางโลกก็เพียรจริงๆได้มาด้วยความทุกข์ยากลาบากมาทางธรรมเราก็เพียรจริงๆไม่ยอมรับแพ้แพ้กับความล้มเหลวชีวิตเราเกือบตายหลายครั้งปฏิบัติผิดพลาดเพราะมีคนสอนผิดเราเกือบตายตั้งหลายครั้ง แต่เราก็รอดมาได้จึงเอามาสอนพวกท่านทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทางโลกและทางธรรมไม่ใช่ได้มาได้ความสุขสบายคนไหนได้มาได้ความสุขสบายเกิดมาบนสมบัติของพ่อแม่มีความสบายเกินไปไม่มีใครสำเร็จ เศรษฐีมหาเศรษฐีของโลกนักวิยาศาสตร์เอกของโลกล้วนแต่ประสบกับความล้มเหลวแล้ะล้มเหลวอีกล้มแล้วล้มเหลวแล้วล้มเหลวอีก แ, แ, แต่ไม่มีใครยอมแพ้ร้องให้แล้วร้องให้อีกร้องให้แล้วร้องให้อีกแต่ไม่มีใครยอมแพ้ที่สุดแล้วก็ขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกกันเป็นแถวเป็นแนวถูกไลอ่ออกจากโรงเรียนไม่รู้ ปลูกไล่ออกจากเรียงเรียนถูกไล่ออกจากงานไม่รู้กี่ครั้งมาทำธุรกิจส่วนตัวก็ล้มละลายล้มละลายแล้วฟื้นขึ้นมาอีกล้มละลายอีก mm. เป็นเยอะอย่างนี้แต่เขาไม่เคยยอมแพ้เขาไม่เคยยอมแพ้แก่ชีวิตนั่นแน่มมาถึงประสบผลสำเร็จคนที่ยอมแพ้มันก็แพ้ตลอดการ อย่าหลงละเลงเวลาได้ดีเพราะมีวันข้างหน้าที่เสื่อมโทรมที่ผิดหวางพลาดหวงังแม้แต่โลกเหมือนการได้แล้วอย่าหลงละเลยทําแล้วก็เหมือนกันได้แล้วอย่าหลงละเลย ร, รู้ทำเห็นทำที่สุดภู่งซ่านต้องรู้จักพอดีรู้จักพอมีหลายคนบอกว่าหลงตามทาไมไม่เสียดายเงินทองทรัพย์สินเหรอ ก็เดือนตั้งเยอะลาออกไปไม่ลาไม่สนใจแล้วเราทํางานไม่กี่เดือนก็ได้แล้วเป็นล้านทํางานไม่กี่เดือนแล้วได้เป็นล้านเป็นล้านยังบอกกับพ่อไม่ใหม่ว่าออกไปคุณจะทํางานยังไงได้อย่างเราทํางานไม่กี่เดือนเราก็ได้เป็นล้านแล้วเงินล้านกับเราเนี่ยหาได้ง่ายๆเราทำงานไม่กี่เดือนก็เราก็ได้เป็นล้านแล้วยังไม่รวมถึงรายได้จากอพาร์ตเมนต์อีกต่างหาก แล้วบวชดูซิว่าไม่ใช่ว่าเออเรามีความทุกข์ยากลําบากเราไม่สู้ชีวิตไม่สู้โลกเลยแล้วหนีมาบวชไม่ใช่เลยเราประสบผลสำเร็จมาหมดแล้วในโลกอะ่ะเราเบื่อแล้วเราเบื่อโลกไม่ใช่เบื่อโลกเพราะว่าเราไม่สู้โลกเราผิดหวังเราท้อแท้เราท้อถอยเราไม่มีอะไรจะไปแล้วเลยเลยมาบวชไม่ใช่เราได้ประสบสําเร็จมาหมดแล้วในโลก ไม่ว่าจะยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งลาบยศสายสะพายเครื่องลาดเราได้จนถึงสายสูงสุดแล้วตัางแต่สายฟ้าสายน้ำเงินสายสายสีนู้นสีนี้จนถึงเป็นสายแดงแกเราได้หมดแล้ ว, ลวเราประสบผลสาเร็จแล้วเรืองจึงทิ้งทิ้งมาไม่ใช่ว่าเราล้มเหลวแล้วในชีวิตจึงทิ้งมาไม่ใช่ชีวิตมันต้องสู้ มันต้องสู้อย่ายอมแพ้วันนี้เราก็ให้ท่านจีน่าเนี่ยอัปส่งขึ้นไลน์ไปสองเรื่องว่าอย่าล้มอย่ายอมแพ้ความล้มเหลว อ, อย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้ความล้มเหลว อ, อย่ายอมแพ้ เหมือนกจิตใจมันก็นแห้งเหี่ยวตดถอยอ่อนแอท้อแท้เวลาได้ก็ดีได้ดีได้อย่างใจก็โอ้ยเลงล่าอาจารย์ชมสงตาชมแต่ละคนก็เลงล่าได้อย่างใจพอโดนว่าโดนติดหน่อยโดนบอกหน่อยเตือนหน่อยหดหูแห้งเหี่ยวท้อแท้สิ้นเศร้าอย่างนี้ไม่ได้เวลาทะลุฟ้ากับทะลุฟ้าขึนา้นไปเลย เวลาจมดินก็จมดินเลยอย่างนี้ไม่ได้ต้องพื้นขึ้นมาให้มันพอดีไม่ใช่ทะลุว้าเดี๋ยวลงดินต้องให้มันพอดีต้องสู้อย่ายอมแพ้แก่ความล้มเหลวอย่ายอมแพ้แก่ความทุกข์ยากลําบากคนที่ยอมแพ้ความล้มเหลวยอมแพ้ความทุกข์ยากลาบากจะแพ้ตลอดชีวิตคนที่ไม่ยอมแพ้เห็นได้ดีไปหมดไปเป็นประธานาทิปดี ไปเป็นเจ็ดถีมหาเจ็ดถีมามากมายแล้วคนที่ไม่ยอมแพ้นี่เนี่ยกับความล้มเหลวกับความผิดหวังวันนี้ไเจ้าชิดมันทำไหมเนี่ยทําประวานเนี่ยมันทาวันเดียวทำหางพญานาคเสร็จเรามาเจนคุมทำปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุุบได้อย่างใจโอ้ดีใจเรื่องล่าวันนี้บอกจะต้องขึ้นหางพญานาคขึ้นเกศนบัว พอตอนเช้าไปสะดุดเขาหน่อยนึงเพราะว่าไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ว่าสองคนเนี้ยเจ้ากับเจ้าน้อยเนี่ยที่เป็นช่างเป็นคนงานผู้หญิงเนี่ยตอนเช้าเราก็วางแผนไว้ให้ตอนเช้าทำอย่างนี้ตัวเองก็ทำอย่างนี้วันนี้กูจะได้เกยสอนบัวแล้วก็จะได้หางพญานาคด้วยเนี่ยต่อเก็ตไปให้ครบเต็ม เพราะคนพลาดไปตั้งแต่เช้าอะมีเหตุปัจจัยบางอย่างทําให้พลาดไปคือมีคนเอาเจ้าเจ้าน้อยไปใช้งานอื่นซะไปวานทํางานอื่นมันก็เป็นไม่กล้าปฏิเสธออกไปทํางานอื่นเข้ากลับมาไอ้ตรงนี้ปูนเปิดมันก็แหง้งแล้วมันก็ไม่ได้สัดส่วนไม่ได้อะไรทุกอย่างล้มเหลวหมดวันนี้แล้วพอดีโปะไปเอาเลยไม่ได้มาดูโปะไปหางพญานาคบวมขึ้นมันไม่เหลี้ยวไม่เล็กโอ้ทาไปตั้งครึ่งวนันต้องมาขูดทิ้งไวหม้หมด ไม่ได้ดูมวัวแต่รับเราก็มวัวแต่รับแขกด้วยแล้วมันก็โปะไปข้างหลังก็าหาันไปดูอ้าวทาไมงานมันไม่เดินเลยล่ะพญานาคฐาางพยานาคมันผิดส่วนก้วนไปอ่ะแล้วก็หมดกําลังใจกันทั้งหมด่ะแล้วทําไมหายไปไหนไม่มีใครทางานตาแดงคำมยุ่งหลังคอแท่เอ้ยทําไมเป็นอย่างงี้แล้ว ความล้มเหลวแค่เนี้ยทําไมแค่นี้ทอแท้แล้วมันจะไปทําอะไรสําเร็จแล้วเอาช น, นะใจตนเองได้เมื่อทอแท้เมือ่อเมื่อความล้มเหลวมันก็เป็นบทเรียนแต่เราไม่ยอมแพ้เดี๋ยวมันก็ต้องเสร็จกลับมาทําใหม่จะไปยืนอยู่ข้างหลังตาแดงก่าถ้าทุกคนเนี่ยไม่ได้อย่างใจแล้วผิดหวังแล้วไปทอ้อถอยท อ, ท อ, ทอแทเนี่ย ไอ้นี่มันก็หมดแล้วมันก้าวหน้าไม่ได้เจริญไม่ได้มันผิดหวังวันนี้ก็ผิดหวังไปที่วันก่อนวันเดียวมันก็โอ้โหได้สมหวังเราไปยืนคุมเลยงานมันเดินปุบบปุปวันนี้มันผิดหวังบ้างก็ไม่เป็นไรมันผิดหวังก็ยอมรับสภาพความจริงว่ามันไม่ได้อย่างใจในโลกนี้ไม่มีอะไรได้อย่างใจทั้งหมดกลับมาทาใหม่ปืนปูจิตใจใหม่มันก็ตกเสร็จ ไม่จสรวันนี้มก็ต้องเสร็จมันไม่ใช่ว่ามันมีวันเดียวเมื่อไหร่ชีวิตอ่ะมันล้มแล้วก็ต้องลุกล้มแล้วก็ต้องลุกล้มแล้วต้องลุกอย่ายอมแพ้แก่ชีวิตที่สุดมันก็จะเลินนั่งเรืองได้คนไม่ยอมแพ้มันมีแต่ความสบายอ่ะไม่มีใครจเจริญลุ้งเรืองได้หรอกคนที่ลําบากนั่นแหละคนไม่ยอมแพ้ชีวิตเนี่ยมันจึงจเจริญได้เราเนี่ยก็มาจากความทุกข์ยากมาจากครอบครัวที่ยากจน จนเราประสบผลสําเร็จเพราะเราไม่ยอมแพ้เราไม่ยอมเราทุกยากลําบากกดยากยังไงไม่มีจะกินยังไงเราไม่ยอมไม่ยอมปีม่ปากเราไม่ยอมน้ําดื่มไปคํานึงเราก็ได้แล้วเพรานะ น, นเนี่ยเราอย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆต้องสู้โลกก็ต้องสู้คาก็ต้องสู้ เวลาได้แล้วก็เวลาเพินใจก็เลงล่าไปเวลาโดนดุโดนว่าเวลานั่งเสร็จแล้วก็เหี่ยวเหี่ยวเลยซึมเจ้าต่อเนื่องหลายวันไม่ปืนอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้มันต้องทนอดท น, ดทนเนี่ยอดทนมากเลยเราเนี่ย อดทนทางโลกมาจนประสบสำเร็จพอมาบวชต้องอดทนอีกอ่ะเรามาบวชแล้วมีลูกศิษย์ลูกหา ม, มากเพราะว่าเราเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหา ม, มาตั้งแต่คารว่าสอนมายี่สิบปีพอมาบวชนลูกศิษย์ลูกหามเยอะไปอยู่แต่ละวัดที่สุดเราก็ถูกไล่ออกเอาคนนู้นไปกาะเรื่องนี้คนนี้ไปก่อเรื่องนั้นเขาก็เลยเล่าไล่เราออกทั้งที่เราก็สร้างาจนเสร็จแล้วเอาไล่ออกไล่ออกเราย้ายไปย้ายไปเสร็จแล้วไปก่อเรื่องนั้นอีก เราโดนไล่ออกอีกย้ายไปตอนนี้วัดที่สเราก็ไปสร้างซามากมายหมดไปไม่รู้กี่ล้านแ ต, แต่ละวัดแต่ละวัดเสร็จแล้วเราก็ถูกไล่ออกไปเราเนี่ยเราหกเราเหินเป็นคารวะเราก็ต่อสู้มาเราหกเราเหินชีวิตเราต่อต่อสู้อยู่ก็ทั้งหมดสําเร็จพอมาเป็นพระเราก็ต้องมาหกเระเหินอีกต่อเตี้ยแต่ละที่แต่ละที่ไม่เคยเป็นความผิดของเราแม้แต่นิดเดียว แต่แต่ละที่แต่ละที่เพราะเรานะมีบริวารมากเกินไปมีลูกศิษย์ลูกหามากเกินไปที่สุดเราก็ถูกออกมาแต่ละที่แต่ละที่บางวัดเราใช้เป็นสถานที่สอนคนมากมายเสร็จแล้วอยู่ก็ไปก็ไปทะเลาะ ก, กับเจ้าว่ า, าอีกลูกศิษย์เราเราก็ไม่ได้เข้าไปอีกเลยในแต่ละที่เราก็บอกว่าอย่าไปพูดอย่าไปพูดไม่ได้เรื่องนี้ต้องไปพูด ไปแล้วไปทปะเลาะกับเจ้าวาดเสร็จแล้วไม่ได้เข้าไปอีกเลยเนี่ยเราเลยว่าอกรรมทางโลกเราก็สู้มามากแล้วเราบวชมาเราก็ต้องมาสู้กับประจน ช, ชีวิตเราถูกออกมาเราก็ต้องลำบากทุกข์ยากลําบากเราไปอยู่ดอยสะเก็ดกับชาวเขายากจนได้แค่มาม่าม า, ม า, มาหอหนึงก็ กับไข่ต้มลูกนึงก็ถือว่าตรีสุดแล้วของความอร่อยเรามาอยู่ที่นี่อาหารเหลือเฟือเพราอะไรอะ่ะเราเคยทุกข์ยากลำบากมากว่านี้เรามาอยู่ดอยสะเก็ดขนมก็ไม่เคยได้นานๆทีจะได้ขนมสักชิ้นนึงได้มามา่ามาก็ต้องเอาไปใส่หม้อต้มก่กอน มาน้ำใส่เยอะๆแล้วมาแบ่งการผ้าเอามาแบ่งกันฉันได้มาม่าซองเดียวถือว่าสบะดีที่สุดแล้วเราออกจากดอยสะเก็ดไปอยู่วัดป่ากระเตอกับชาวกะเลียงก็ยากจนมากวันไหนต้องแทบจะต้มปลากระป๋องกินแทบทุกวัน วันไหนได้ปลากระป๋องต้มก็ถือว่าโอ้โหฉันข้าวได้แล้วเนี่ยมาอยู่นี่อว่าลําบากของสั้นว่าลําบากแต่เหลือเปลือเหลือเปลือปลากระป๋องยังแผลเปลือแผลไปถึงแนวถึงหมานู่นแต่เราเนี่ยบินทบาทได้ปลากระป๋องมาเนี่ยกระป๋องหนึ่งต่อกระป๋องเนี่ยมาต้มกันเนี่ยใส่หม้อต้มมาน้ําใสเอาผักใส่เข้าไป ก็แบ่งกันได้ฉันแล้วทั้งวัดแล้วไปคนๆๆๆๆมาก็ได้แล้วทั้งวัดแล้วเนี่ยโยมต้องมาทําให้เยไปชาวก็ะเลียงได้ปลากระป๋องมามาัมา่งได้ผักอะไรมากระป๋อคนๆๆการต้มๆๆๆมาขอให้มันมีน้ําขอให้มีน้ําร้อนๆมาก็ได้แล้วเอามาแบ่งกันเออความทุกข์ยากลาบากมันพาไปสู่ความสําเร็จนะ ไม่ใช่สบายหรอกเราเคยไปมาแล้วทุกยากลําบากไปมาแล้วเหนือใต้ออกตกเราไปมาเดือนนั่นแหละบางคนนึกว่าเราสบายมากเลยมีทุกสิษย์ลูกหามากมายังมากมายไม่ได้สุขสบายอย่างนี้หรอกเมื่อไหร่ล้วเคยลำบากมามากทาั้งทั้งโลกเราเคยลำบากมามากเราไปภากระลำบากมามาก บางทีเหมือนกับน้ําตาจะตกในเลยอะ่ะเราอะ่ะบางทีเราไม่เคยเคยกระทาความผิดแต่กรรมเราไงก็ไม่รู้ถูกพวกจ้างกันแกล้งฟ้องเจ้าว่าต่างฟ้องอะไรมัง่งจ้างคนผัวเมียกี่มอตอรไซมาฟ้องอยู่ๆเราถูกไลต่ตะเพิดเฉยเลยตอนที่เราไม่รู้เรื่องวันเราไปกระทาผิดจะกาู้นกระทาผิดอย่างนี้เอา้าเราก็ไม่รู้เรื่องเลไอย่างเงี้ยอุ้ยสารพัดเนียชีวิต อย่ายอมแพ้นะชีวิตมันต้องสู้เราเมันที่เหมือนกับทุกข์จนแสนสาหัสเลยทุกข์ยากลำบากเราเคยสุขสบายออกมาเนี่ยเดินทางป่าเดินไปเข้าป่าเข้าเ ข, า, เขาลำเนาไฟปวดยากทุกข์ยากลำบากแต่ยังว่าเนี่ยมันผ่านได้มันก็เป็นบารมี ผ่านได้มันก็เป็นบา ร, รมีผ่านไม่ได้ก็เป็นความล้มเหลวของชีวิตผลจะมีบา ร, รมีได้จะประสบสําเร็จได้ผ่านความทุกข์ยากลําบากไม่เคยกลัวล้มแล้วก็ต้องลกล้มแล้วก็ต้องลุกล้มแล้วก็ต้องล ก, ลล ก, งลกคนที่รักแต่ความสบายไม่เคยมีใครประสบผลตําเบ็จในชีวิตโลกก็ไม่มีใครประสบตําเบ็จได้มาที่สุดก็สูญสลายผ่านไปหมดตักษาไว้ไม่ได้ ได้รับสมบัติพัฒฐานมาเกิดมาระกูร์ร่ำรวยที่สุดก็ขายหมดไม่เหลือหรอได้มาร่ำรวยยังไงไม่เหลือหรอเ ร, อรารักษาสมบัติไว้ไม่ได้เพราะไม่เคยทุกข์ยากลาบากคนที่หามาได้ใยความทุกข์ยากลาบากนั่นแหละที่สุดเราจะเป็นคนรวยเราดูไอ้มีคนที่เป็นเศรษฐีผู้หญิงอะหน้าตามันสวยมากเลยตอนมันถอดผ้าออกา่า มัปิดวอะไเหมือนคนงานเน่ะปิดเดินทะลุกตาเป็นนักเรียนปิดผ้าเดินตะลุกระตาให้ใครเห็นแล้วไปคุยตามถังขยะเก็บกระป๋องกระป๋องโคกกระป๋องเบบีซี่เก็บขวดน้ําไปขายคุยตามถังขยะริมทางตะเวนไปเนี่ยโอ้ยมันเปิดหน้าตามานโอ้ไม่น่าเชื่อเลยไว้สวยไว้นี่ไว้ สุดท้ายมันเอาเงินที่มันไปเก็บกขยะขายเรียนมหาวิทยาลัยจบมาแล้วเสร็จแล้วมันก็ไปทํางานกับรุงปีพี่แล้วก็ไอ้ลุนปีมันเห็นมีความตั้งใจจริงมันก็เลยเอาทําสุดท้ายมันไปยังไงมันไปเรียนต่ออีกเรียนต่อด้านเคมีด้านอะไรของมันอ่ะแล้วไปทําไอ้ครีมอะไรเงี้ยมันก็ไม่รู้เนี่ยไปส่งไอ้เาเว่นในลาเว่นเขาเกิดรับเข้ามันทําผิดทาถูกเขาไปส่งไม่รู้กิจกางเขาไม่รับเขาออกก็ไม่เอาไม่เอา มันสุดท้ายมันไปทํำจนกระทั่งเขาเอาเอ า, เอามันเข้าไปได้ขายดีเลยจะขายไปเซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาทั่วประเทศไทยไปทั่วจะเป็นเศรษฐีอ่ะเปิดหน้ามาอดีพบรรพ์นนหน้าเก็กบกระป๋องขอยะเก็กบอะไรเปิดหน้ามาโอ้ยสวยเว้ยไอ้นี่มันมันมันถึงโอ้มันยอมทุกข์ยากลําบากขนาดนี้สุดท้ายมาเป็นเศรษฐีนี้มีความร่ํารวยได้ มันบอกว่าไอ้ทีจริงอ่ะมีคนอยากเอาไปเลี้ยงเป็นเมียน้อยใอ้หาอยู่ฮะบอว่าอยู่อย่างสุขสบายมันบอกว่าไม่เอามันสู้ชีวิตในตัวมันเองจนกระทั่งมันร่ารวยขึ้นมาเนี่ยโอ้ยเนี่ยมันต้องอย่างนี้นะแน่จะยอมแพ้นะมันต้องสู้ต้องสู้เราเห็นเด็กสมัยเนี้ยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานกันสบายมากเล่นแต่เกมเล่นแต่เกม เราเห็นแล้วเราโอ๊ยอนเนกอนาจัยมากเลยเป็นเลี้ยงลูกสบายมากเลยกลัวลูกหลานจะลําบากเราหนีลําบากแสนสาหัสเราจิได้ดีหมดโลกเราก็สาเร็จทํำเราก็สําเร็จแต่ถ้าเด็กทเท่ามหร่นี่ยเอาใจมันพ่อแม่ก็เอาใจลูกลูกหลานก็เอาใจเป็นลูกหลานก็จะเสียคนหมดเลยชีวิตสบายนี่เคยมีใครประสบสําเร็จ ชีวิตเป็นต้องลำ บ, บากเพื่อประสบสําเร็จในทางโลกและทางธรรมต่ในชาตินี้ยังล้มเหลวท่านว่าชาติต่อต่อไปไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะเป็นอย่างไรขณะชาตินี้ยังล้มเหลวทักขนาดนี้เกิดมาเป็นคนพราะพระาศาสนามีคนสอนพระอรหันต์ก็ยังมีอยู่ยังล้มเหลวในชีวิตชาติต่อต่อไปไม่ต้องพูดถึงจะเป็นิท่าไหน คิดตัวเองกับเรากัน